ความสุขในที่นั้นก็คือว่าท่านในปัจจุบันก็ให้ความสุขที่ได้สุขที่เป็นมนุษย์สมบัติบ้างในอัภาพในอนาคตก็ระลึกให้มีความสุขที่เป็นไปในส่วนของสวรรค์สมบัติและเป็นปัจจัยแห่นิภานสมบัติเป็นต้นแล้วก็ปรารถนาให้ตนเองนั้นพ้นจากเวรทั้งหลายมีปานาธิบาตเป็นต้นฉะนั้นการที่มีสติระลึกและตั้งมั่น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 เว้นจากการฆ่าไม่ฆ่าเว้นจากการทำให้เดือดร้อนไม่ทำให้เดือดร้อนด้วยการเว้นจากการย่ำยีไม่ย่ำยีด้วยการเว้นจายยกา ก, การเบียดเบียนไม่เบียดเบียนซึ่งสับทั้งหลายซึ่งพูดทั้งหลายซึ่งบุคคลทั้งหลายซึ่งสัตว์ผู้นับเนื่องในภพทั้งหลายหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็ปรารถนาบอกว่า เมือ่อน้อมจิตให้กับตนเองเบ็ดเบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้ก็มาน้อมจิตระลึกดูว่าในขณะนี้ยเราระลึกถึงใครถ้าหากว่เป็นพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยน่ะเราก็เริ่มน้อมจิตของตนเราเองนั้นเนี่ยแผ่ให้กับบุคคลอื่นเช่นแผ่ให้กับบุคคลอื่นเช่นถ้าจะแผ่ให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นที่รักก็คือว่าขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้า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 จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาไปให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นที่รักเป็นต้นทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ตั้งแผ่เมตตาเนี่ยในขณะเนี้ยให้เอาตนเองเนี่ยมีการกําหนดเบื้องหน้าของเราเนี่ยคือทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังของเราก็คือทิศเบื้องหลังด้านขวาด้านซ้ายเบื้องล่างแล้วก็เบื้องบน S 1> <S 1> ให้เราตรึกไปในทางด้านหน้าของเราแล้วก็น้อมจิตไปบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทิศเบื้องหน้ามีพ่อและแม่เป็นต้นเนี่ยนะที่เราน้อมไปหรือว่าสปปรรพสัตว์ทั้งหลายที่นอกจากพ่อและแม่เนี่ยที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเดียดเดียนซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าของขา้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าของขา้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดน้อมจิตไปในสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องหน้าอย่างเนี้ยนะ แต่การกระทําจริงๆต้องใช้เวลาในการไข่ควรวนในการทําเมตานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเมื่อทําเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวสภาพของเมตตาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างแล้วแล้วเร่าเล่าเมื่อเมตตาเกิดขึ้นอย่างแล้วแล้วเร่าเล่าตัวสภาพของเมตานั้นเนี่ยก็ไม่หยุดอยู่เมื่อเมตานั้นไม่หยุดอยู่เมตานั้นดับไปเมตตาใหม่ก็เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง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 ขอให้ครูอาจารย์จงเป็นผู้มีความสุขปราศ จ, จากทุกข์มีใจเบิกบานเป็ น, น, นต้นเหล่านี้นะตลอดถึงสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทั้งทิศเบื้องขวาของข้าพเจ้าเนี่ยขอให้เป็นผู้มีความสุขเถิด mm. ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องขวาของข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ด้านขวามือของข้าพเจ้า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 ที่เป็นไปทางด้านขวามือของเราน้มจิตไปในลักษณะนี้เดี๋ยวพลังของเมตตาก็จะเกิดขึ้นนลยนะประการต่อไปก็คือแผ่ไปทางด้านซ้ายคืนมิดนิ ด, นดอมาดพวกพ้องอะไรต่างๆเหล่านี้ใ น, ในขณะเดียวกันก็คือว่าเมื่อเราแผ่ไปในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าสัดทั้งหลายนะ ที่เป็นเพื่อนทุกเน่ยเกิดแก่เจบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งส้นที่อยู่ขวามือของขพระเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเธออย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเหยียดเดียนซึ่งกันและกันเลยเป็นต้นแล้วก็อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยรักษาตนไม่พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดเมื่อเราน้อมจิตไปในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยก็ส่งจิต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 เพียงแต่ทากระแสจิตให้เกิดขึ้นให้สืบต่อต่อเนื่องว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเธอดสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีเวรต่อกันละกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเดียดเบีนซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย แต่ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของข้าพระเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลา ย, ท, ลายทั้งปวงเถิดน้อมกระแสจิตทำศรัทธารำสติสมาธิทำปัญญาทำวิริยะเป็นต้นให้สะหระคตกับความกับเมตตาแล้วก็ส่งกระแสจิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเมตตาเนี่ยเป็นปลายกระสับที่อยู่เบื้องหลังของเรานั้น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 ถ้าสมาธิมีความไม่ตั้งมั่นก็เพ่งให้เกิดความตั้งมั่นให้เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดความตั้งมั่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็น้อมไปในสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในเบื้องบนในอากาศนี่ไม่ว่าจะเป็นภูมิธาเทวดาลุปตาเทวดาอากาศสัเทวดาหรืพหอพรมทั้งหลายต่างๆตลอดถึงสมณพราม์ทั้ทงหลายที่ยินมีฐานะอยู่เบื้องบนพระราชาเกษตรย์ทั้งหลายต่างๆเหนี้ย น้อมติดไปให้ท่านเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องบนจงเป็นผู้มีความสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องบนอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องบนของข้าพเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้อย่าได้มีจิตทิฏฐิบาศอาฆาตฟองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนของข้าพเจ้า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 เวลาจะทำให้มาพวก น, นกี้มันก็มันก็อยู่เฉยๆอย่างนี้ใจมันดื้อมันไม่มันไม่ยอมวิ่งท่าหนออกมันไม่ยอมไปตามที่เราปรารถนาหรือเราต้องการตรงนี้ก็ต้องพยายามอบงใบ่อยๆอย่าไปท้อก็ให้นั่งคิดอย่างนี้นะว่าถ้าเราท้อนวันนี้แล้วต่อไปเราจะฝึกเจริญเมตตาได้อย่างไร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 ถ้าหากเราแผ่เมตตาเนี่ยตัวเมตตามันไม่มันไม่เดินทางไปไอ้ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าเมตตายังไม่ออกฤทธิ์งนั้นต้องแผ่ไปในลักษณะอย่างไ้ทีนี้ประการต่อมาก็คือให้แผ่ให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในพษเบื้องต่ํามีพวกอบายสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องต่ํำต่อจากเราหรือว่ากลุ่มที่อยู่ในฐานนะเป็น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 เมตตาภาวนานี่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเมตตาภาวนาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ย lineup, ก็เป็นการทชี่เห็นว่าเป็นการอบรมเป็นการบ่มเป็นการจเจริญเมตตาทีนี้การบ่มการจเจริญการอบรมเมตตาเนี่ยนะจะต้องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องการเป็นไปอย่างต่อเนื่องในลนักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตา นี่ประการต่อมาก็คือว่าการเจริญเมตตาอีกอย่างหนึ่งว่าสภาวะของเมตตาเนี่ ย, ยที่อบรมแล้วด้วยศรัทธาผู้จเจริญเมตตาประคองความเพียรไว้ประคองความเพียรไว้ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลาย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 แต่การที่เราจะแผ่ให้กับบุคคลอื่นให้มีความสุขให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้นั้นน่ก็ต้องมานึกถึงตนเองบอกว่าในคำที่เราแผ่ให้กับตนเองบอกว่าขอให้เข้าไปจ้าจงเป็นผู้มีความสุขด้วยคำว่าความสุขในที่นั้นก็หมายความบอกว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอะไรคือความสุขของเราสิ่งที่เราปรารถนานั่นคืออะไรบางคนก็ปรารถนารูปปสมบัตินามสมบัติอะไรก็แล้วแต่ บางคนก็ปรารถนาทรนะัพย์สมบัติตรงนีน้บางคนก็เห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นความสุขแตกต่างกันไปฉะนั้นการที่เราตั้งปรารถนาความสุขเอาไว้แต่ความสุขถ้าจัดตามลําดับความสองก็คือว่ามนุษย์สมบัติก็เป็นความสุขระดับหนึ่งสวรรค์สมบัติก็เป็นความสุขระดับหนึ่งแต่สุขเหล่านี้เป็นความสุขที่อิงด้วยเวทนานี่สุขเหล่านี ana, ๆๆ้เป็นความสุขที่อิงด้วยเวทนา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 ให้เกิดขึ้นในกระแสใจของเราเมื่อเมตตาและอินทรีย์ทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยเมตตาและอินทรีย์เหล่านั้นก็จะบล็มจิตใจของเรานั้นให้เจริญให้งอกงามเป็นต้นเหล่นี้ประการต่อมาก็คือบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครใเลยเวรในที่นั้นเป็นชื่อของปาณาติบาสเป็นชื่อของการฆ่าเวลาเนเนี่ ย, เ, ยเวรอีกอย่างหนึ่งก็คือ ชื่อคำว่าเวนเนะี่ยเป็นชื่อของการที่บอกว่าเวนไัยทั้งหลายเนี่ยเช่นปานาติบาสนี่การฆ่าอาทินนาทานการลักการเมลตุมิฉ า, าจาร์ก็คือการประพฤติผิดในการมมูสาวาสก็คือการกล่าวเท็จเป็นต้นเราก็ตั้งจิตปรารถนาบอกว่าให้ข้าพเจ้าหรือขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยพ้นจากเวนทั้งหลาย พ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายเิ่นเะเวนกรรมคือปาณาติบาทเป็นต้นเลยนะตั้งจิต ป, ปรารถนาดีให้กัตนเองในลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีจิตทิพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆจิตทพยาบาทในที่นั้นคือจิตที่ประกอบไปได้วยโทสะทีนี้จิตที่ประกอบไปได้วยโทสะ เป็นจิตที่ควรคำจัดเป็นจิตที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในข er ันเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาเรียกความให้สังเกตดูนะว่าบางครั้งนี่ททำไมเวลาเรานอนเนี่ยเราก็จะฝันร้ายไูทั่วเหตุที่เรานอนแล้วก็ฝันไปทั่วฝันร้ายบ้างฝันตุนตุเป็นตาเป็นตัวอะไรนี่ย่งบอกเลยว่าใจของเราเนี่ย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 ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีความสุขสีหน้าก็ยุ่งเหยิงไม่ยิ้มแย้มไม่พองใจไม่เหมือนกับบุคคลที่เขาจเจริญเมตตาเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตของเขามีเมตตามีเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นถึงบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตทิพยาบาตรอาฆาตฟองหลายหยืดเบียนเึ่นเดไทยทิพยาบาตรที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยเราก็ไม่ปรารถนาให้พยาบาตรเกิดขึ้นในใจ ทีนการที่จะไม่ให้พยาบาทเกิดขึ้นอย่างเดียวไม่พอต้องตั้งอัธยาศัยในการทีจ่จะกอธิษฐานแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้กับตนเองด้วยในขณะที่แผ่เมตตาจิตให้กับตนเองเนี่ยนะตัวสภาวะของเมตตานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้ในขณะที่กําลังทํากรรมาฐานเนี่ยนะถ้ามันเกิดความโ ง, ง่ห้วงขึ้นมานี่ทำยังไงเออถ้ามันเกิดความโ ง, ง่ห้วงขึ้นมาเนี่ยต้องปกจิตให้ตื่นขึ้นคำปกจิตให้ตื่นขึ้นก็ ปาร์รบตนเองบอกว่าสัตว์ที่ง่วงเหงาหานอนสัตว์ที่เกลียดคารทั้งหลายเดีย๋ยวนี้เ ข, เขาลงไปอยู่ในอาบายภูมิหมดแล้วเนี้เยเออนี่เหลือแต่เจ้าเท่านั้นเองที่ยังเกินการอยู่ในการเป็นมนุษย์อยู่อยากกระนั้นเลยว่างั้นนะถ้าเราไม่รีบผักห้ามจิตของตนเองขจัดความงก ง, ง่วงให้ออกจากใจมุ่งมั่นในการเจริญกรรมฐานเดี๋ยวเราก็จะตามเหล่าสัตว์เหล่านั้นไปเนี่ยนะพยายาม พอคิดถึงอาบายาสัตว์คิดถึงอบายภูมิอย่างนี้มันกลัวนี่มันเกิดความรู้สึกภาคเพียรเป็มาอกไม่เอาแล้วมันก็ลุกออกจากความภาคเพียรพอลุกออกจากความเพียรเหล่านี้มันก็เลื่อนแก่น้อมจิตเข้าไปหาสมาธิใหม่ทีนี้พอตั้งมั่นในการที่จะอบรมในการที่จะเจริญสมาธินี่นในขณะนั้นเราก็น้อมถึงบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิ่พยาบาทอาฆาตฟองรายเดือดเดืยนขึ้นในไทเลย สการต่อมาคือว่าขอยเข้าไปแจ้าเย็นดายไดย้มีความทุกกายทุกใจเลยความทุกกายและความทุกใจเนี่ยสัตว์โลกไม่ปรารถนาเลยไม่มีใครปรารถนาทุกคนปรารถนาความสุขกายความสุขใจทั้งนั้นความทุกกายทจะเกิดจากโรคภยัยท้เจ็บจากการเกิดจากการกระทําของบุคคลอื่นจากสัตว์อื่นหรือจากการหกล้มเป็นต้นนั้นเราก็ไม่พึงปรารถนา แต่มันจะตามมาด้วยความทุกข์ใจเราก็ไม่ปราดทนาการขอในลักษณะอย่างนั้นคือการแผ่สมาธิเออมันแปลกี่อย่างในตัวสมาธิเนี่ยเมื่อเราตั้งจิตมั่นแล้วก็น้อไปในเรื่องใดแล้วคิดในเรื่องใดบ่อยๆแล้วสิ่งเหล่านั้นสําเร็จได้ให้สังเกตดูนะว่าพ่อโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เริ่มจากความคิดความตั้งมัน่นก็มาจากเมตตานี่แหละเป็นต้นเดี้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 บางคนเนี่ยประสบความย่อยยับทางทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะเออพอเจริญกรรมฐานแผน่เมตตาอย่างเงี้ยเนี่ยนะทําให้จิตใจของเอ็งมุ่งมั่นและตั้งมั่นเหมือนอนาถาปิมิราเศรษฐีเป็นต้นอย่างนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลพอมาตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมพอเจริญกรรมฐานนะจากการยิบัติจากทรัพย์ก็กลับมาร่ํารวยอย่างเก่าเนี่ยนเพระฉะนั้นะสิ่งที่มันย่อยยับมันก็กลับมาฟื้นดีขึ้นมาได้จากการที่ ตั้งก็ตั้งหลักที่ตนเองก่อนดังนั้นการตั้งหลักที่ตนเองเนี่ยนะสิ่งที่ดีๆงามๆทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ไหลต า, ามมาประการต่อมาว่าเออเรามุ่งมั่นที่จะทํำจริงรด้วยถ้ามุ่งมั่นที่จะทําจร úng, ิงๆอบรมหรือเจริญเมตตาจ ร, จริงๆเนี่ยนะสิ่งต่างๆดีๆงามๆทั้ ง, ง, ง, ง, ง, งหลายเนี่ยมันไหลดำแต่มันต้องอยู่ที่ว่าเราต้องมุ่งมั่นเลยนะต้องไม่ทอ้อถอยเลยนะ <c oughs> จิตใจนั้นต้องจดจอ่อต้องมุ่งมั่นต้องเพียรพยายามใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่าการภาคเพียรในการเจริญกรรมาฐานเนี่ยนะบางคนเขาบอกว่าคนนั่งหลับตาอยู่ทุกิฉะนั้นในเรื่องของการเจริญเมตตาเนี่ยนะไม่ใช่กิตของคนเกียด้านแต่เป็นกิจของคนที่จะต้องมีความภาคเพียรมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นอย่างอย่างแท้จริง ถ้าคนที่มีความคิดเยาะเยาะแย่ๆเนี่ย น, ยเนยะเจริญก็ไม่ฐานไม่ทะลุทะลวงไม่ผ่านอุปสรรคเลยเวลาไปเจออุปสรรคเล็กๆ น, น้อยๆบางทีคันนิดหน่อยประกาเนี่ยเนี่ยคือต้องตั้งมันนักจิการต้องตั้งจิตเขาไว้บอกว่าถึงแม้จะเกิดคันตามเนื้อตามตัวถึงแม้ว่าจะเกิดเสียงมารบกวนถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จัพยายามตั้งมา เออมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนะมันเกิดขึ้นจากการตั้งใจถ้าหากว่าไม่ตั้งใจในการที่จะทำจริงๆเนยมันไม่ได้ของอะไรบางอย่างนี่นะมันต้องแลกโดยเฉพาะเมตตาภาวนาซึ่งเป็นของสูงเป็นของประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเขาไว้เป็นอุบายแห่งการระงับดับโทสะ ร, ระงับดับความโกรธ และเป็นอุบายแห่งการที่จะเป็นปัจจัยแห่งการได้ฌานสมาบัติเป็นพื้นฐานแห่งการที่จะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูง้วยแล้วเป็นสิ่งที่จะต้องภาคเพียรพยายามในทำทำให้เกิดขึ้นไม่มีขึ้นปัญหาคือว่าให้เราทำอย่างต่อเนื่องทำให้จริงจังเมื่อเราทำต่อเนื่องทาให้จริงจังทำให้เป็นสม่ำเสมอทำให้เป็นอัธยาศัย คำว่าทำให้เป็นอัธยาศัยในที่นั้นก็คือว่าทำบ่อยๆบ่อยๆก็คือทําใจให้เป็นไปกับเมตตาให้ต่อเนื่องไม่ว่าจะคิดถึงบุคคลใดคิดถึงคนไหนก็คือคิดถึงใครปุ๊บให้ตามไปด้วยเมตตาอาจจะคิดถึงตนเองก็ตามไปด้วยเมตตานี่เนี่ยถ้าความคิดทุกขณะจิตเนี่ยไม่ละเลยไปจากเมตตาเลยอันนี้เริ่มได้ดีเลยก็แปลว่าเริ่มสมาทานในใจบอกว่า ต่อไปข้าพเจ้าคิดถึงสิ่งใด จ, จะให้ใจประกอบไปไ ด, ด้วยเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีมีความเมตตาทอนแบบจริงใจอ่ะเมตตาแบบน้ําใสใจจริงเลยไม่ได้เสแสร้งเลยเป็นเมตตาที่เกิดขึ้นอย่างจริงๆเลยเวลาน้อมจิตไปกับใครนะนั้นสถานการณ์ต่างๆความเล่าร้อนต่างๆความเดือดร้อนต่างๆจะหายเกลี้ยงไปหมดล้ ถ้าเราเจริญเมตตากันเป็นบางทีเนี่ยนะบางแห่งบางที่เนี่ ย, เ, ยเขารวมกลุ่มเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเขาจะทําสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เป็นงานใหญ่หญๆโตๆนเนี่ยเนี่ยเขาไม่ทําอะไรกันนสิบคนสิบกว่าคนเนี่ยเขารวมตัวกันแบ็เสร็จเขาก็เจริญเมตตาแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาในสิ่งเดียวกันแล้วก็หวังว่าตั้งจิตปรารถนาบอกว่า ให้สิ่งที่เขาต้องการร่วมกันเนี่ยจงสมฤทธิผลเถิดฉะนั้นเขาทำอยู่ไม่นานเลยเนี่ยพลังของเมตตาชามเอเมตตากรรมฐานเนี่ยนะือเมตตาจิตเนี่ยที่เขาทำบ่อยๆทำแล้วๆเราๆเนี่ยเออสมริธผลได้นี่เป็นอย่างนี้นะนี่สังคมโลกในบ้านในเมืองเรานี้ที่มันเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าคนจะเลยเมตตาและไม่ดู ถ้าคนเจริญเมตตากันถูกจริงๆเนี่ยไม่เดือดร้อนแล้วส ง, งบสุขไปนานแล้วทีนี้แต่คนอื่นจะยังไรก็แล้วแต่แต่อย่างเราท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังว่าธรรมยืนต้องเจริญเมตตาทุกทีนี้พอเรารู้พื้นฐานเห็นการกาหนดถึงการพิจารณาแล้วเวลากลับไปที่บ้านหรือที่อยู่ของตนเองเราก็ไปต่อ ย, ยอดวิธีไปต่อ ย, ยอดก็คือว่าจัดอาสนะ จัดสันทัดหรือจัดนือีธนะผ้าปูสำหรับนั่งต่อหน้าพระตัวหน้าอะไรต่างๆเด็กๆตัดปริโพเังโวยเด็กๆก็แผ่เมตตาได้ทุกวันวันละเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีไม่ห ม, ม่อาจจะได้สิบห้านาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างในที่สุดจริงก็ได้เป็ชั่วโมงสองชั่วโมงอลไรก็แล้วแต่แต่ในที่สุดจริ ง, รงๆเดี๋ยวใจก็จะเป็นไปกับเมตตา เมื่อใจเป็นไปกับเมตานี่เนะท่านทั้งหลายจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นความเปลี่ยนแปลงกับบุคคลที่เราแผ่เมตตาไปจากคนที่เคยโกรธเราจากคนที่เคยขึงเครียดกับเราจากคนที่เคยคิดจะประทุสลล้กับเราเมื่อเราแผ่เมตตาเจริญเมตตาบุคคลเหล่านั้นก็จัหันมาเป็นมิตรเราหเลย หรือไม่อย่างนั้นก็จะค้นไทอยากชีวิตเราหมดฉะนั้นอา น, นิสงฆ์เมตตาเนี่ยมันยิ่งใหญ่แต่ว่าคนเอามาใช้กันไม่ค่อยเป็นมันยิ่งใหญ่เกินประมาณด้วยซ้ำเลยหาประมาณไม่ได้ด้วยซ้ำเลยแต่ว่าเราจะทําสมาธิทําเมตตาจิตของเรานั้นให้เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงไรอันนั้นก็อยู่ตรงที่ว่าแต่ละบุคคลนะเพราะว่าแต่ละบุคคลที่อบรมหรือสั่งสมเจริญเมตตาเนี่ย มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันเมื่อมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันในการที่พื้นฐานแตกต่างกันอัธยาศัยที่แตกต่างกันบารมีธรรมที่อบอรมมาก็แตกต่างกันบางคนเคยสั่งสมอัธยาศัยในการเจริญเมตตาในอดีตมามากพอมาเจริญเมตตาในปัจจุบันน่นี้ไม่นานเลยนะเมตตาในอดีตได้จังหวะได้โอกาสก็ามาเกิดร่วมกับเมตตาในปัจจุบันเนี่ยให้ผล เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเมตตาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมตตาก็เกิดขึ้นแล้วความสำเร็จผลก็จะเกิดขึ้นแต่ท่านผูนะ้นะมีเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นั้นในการเจริญเมตตาในการอบรมเมตตาเนี่ยที่เราบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าคอยเข้าไปเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดอาหางสุขีอัตานังปริหารมิคำว่าอาหารสุขีอัตานังอัตภาพนั่นเอง อัตภาพหมายถึงสรีระร่างกายเรียกว่าอัตภาพอีกอย่างหนึ่งหมายถึงขันทั้งห้านั่นเองคือโรูปขะคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันอิญญาณขันอัตภาพของตนเองขันห้าของตนเองสุ ข, ขีอัตานังปริหาราขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทุกทรักษาขันห้าของตนเองให้พ้นจาก อโทอทกภัยอาคีภยัยวาตภายัโาภายโจรภัยราชภายัยเป็นต้นรักษาขันห้าของตอนเองให้พ้นจากภายัยอันตรายทั้งภายในและภายนอกในที่สุดจริงๆก็พ้นจากกิเลสภัยพ้นจากราคะโทสะโมห์และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตราบใดขันห้า ย, ยังเป็นไปอยู่ความไม่ปลอดภัยก็เยอะฉะนั้นความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในสะแสขันของเราท่านทั้งหลายนีน ในอดีตภพที่ผ่านมาในะกระแสขันของเราที่เป็นไปในภพน้อยและภพใหญ่ก็ไม่ปลอดภัยภัยเพราะชาติชรามรณาโศกาปริเทวทุกขโทมนาสาและอุปาญาตก็เป็นภัยทั้งนั้นนั้นภัยใหญ่ๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายนียย้และในปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่พ้นจากภัยทั้งหลายมีชาติชรามรณาโศกาปริเทวทุกขโทมนาสาและอุปาญาต แม้ในอนาคตเราก็จะต้องไปเจอภัยต่างๆมีชาติภยัยชราภายัยมรณะภัยเป็นต้นแต่เมื่อกระแสขันที่มันจะต้องเป็นไปกับภัยอย่างเนี้นะบางทีเราก็อธิษฐานถ้าขันห้ายังไม่ยังเวียนว่ายได้เกิดถ้ากระแสขันมันยังเป็นไปตามวะะัฏะสังสารวัฏสังสารวัฏนี่มันยังไม่ขาดวัฏพบวัฏฏะทุกนี่มันยังเป็นไปอย่างไม่ขาดสาย เมื่อวัตถุทุกอยังเป็นไปอย่างไม่ขาดสายเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างไม่หยุดหย่อนไม่หยุดยัง้งภัยมาถึงเราในการเจริญเมตตาการตั้งอัธยาศัยขอยและขับะยาพ้นจากภัยเบื้องต้นก็คือว่าพ้นจากภัยมีราชภัยโ จ, จระภัยอุทกภัยวารภัยอักขีภัยหรือราชภัยโ จ, จระภัยทั้งหลายพ้นจากภัยเราคือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาชนิดที่เกิดขึ้นในกระแสขันของเราท่านทั้งหลายเราก็ตั้งกระแสจิตปราถนาถ้ากรรมนั้นมันไม่รุนแรงไม่หนักจนเกินไปเนี่ยนะมันจะผ่อนผันเป็นทุเราได้หรือบางอย่างมันจะหายได้ก็พลอยหายเนี่ยนะแล้วก็ตั้งเมตตาแผ่เมตตาเองตัวเองนี้ถ้าสมาธิดีจริงๆถ้าบุญดีด้วยนะพ้นจากภัยเหล่านั้นได้แต่ถ้าบุญ ประเภทที่ปันกลางๆเหลา่านี้เนี่ยก็ประครับประคองไปได้ยังไม่เดือดร้อนจนเกินไปแต่ถ้าหากว่าประเภทที่กรรมมันรุนแรงเหลือเกินเนี่ยนะโรคภัยใครเจ็บก็เบียดเบียนอย่างหนักสหัศการเอาผ่อนหนักเป็นเบาได้เอาไรดิฉะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยนะมันเป็นคุณประโยชน์นเรารู้ประโยชน์เราเห็นคุณของเมตตาเห็นโทษของโทสะเห็นคุณของคันธิธรรมอย่างนี้เบียดเสร็จก็ อบรมก็เจริญก็บากบั่นมุ่งมั่นในการที่จะกระทำให้ต่อเนื่องเมื่อแผ่เมตตาไปในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะที่ท่านกล่าวก็ไว้บอกว่าพูดถึงอานิสงส์สั้นๆเนี่ยัยงนอนเป็นสุขเนี่ยชนทั้งหลายที่ไม่ได้สําเร็จหรือไม่ได้เจริญเมตตาไม่ได้อบรมเมตตาเนี่ยเวลานอนก็ไม่นอนอยู่แต่ข้างขวาข้างเดียวเวลานอนก็จะไม่นอนอยู่ท่าใดท่าห น, นึ่ง เวลานอนก็จะกลิ้งไปมาแบบรอบตัวนอนกลนบ้างลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านอนเป็นทุกนอนกระสับกระส่ายคนนอนในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าคนนอนแบบขาดเมตตาธรรมลักษณะเห็นการนอนแบบขาดเมตตาธรรมเนี้แสดงให้เห็นชัดเลยบอกว่าในอัธยาศัยของท่านคนนั้นน่ไม่เคยเจริญเมตตาอาจจะเคยท่องเมตตาจริงบางคนบอกว่าอื โยมก็ท่องเมตตาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทำไมจึงนอนกรนอยู่แล้วหัวไม่เม่อทำไมจึงนอนดิ้นทำไมถึงนอนก็ต้องบอกให้รู้เลยว่าจริงๆอัธยาศัยของเมตตาไม่เกิดไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเ น, นื่องไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างปฏิปต่อสภาพของเมตตาไม่ได้แผ่ซ่านไปในใจถึงได้เป็นแบบนั้นตื่นเป็นสุข อธิบายว่าชนเหล่าอื่นที่ไม่สําเร็จเมตานีนะ่ไม่ได้เจริญเมตตาโดยเหตุที่นอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ไม่ได้ความสุขในขณะที่หลับอยู่แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็ถอดถอนให้ใจใหญ่สังเกตได้ไม่ยาจคนที่ขาดเมตตาเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยหน้าตาก็หน้านิูเคิ้วขมวดนอนเป็นทุกข์ตื่นก็เป็นทุกข์หน้าตาไม่ชื่นบาน ส่วนคนที่มีเมตตานี่ยสังเกตตัวเราได้ไหมยาเวลาตื่นนอนเนี่ยหน้าตาเบิก บ, บานนี้หรือนี่หน้าตายับยู่ยี่ยับยู่ยี่หรือว่าเบิก บ, บานเหมือนม้เหมือนดอกไม้แย้ม บ, บานถ้าตื่นขึ้นมาเหมือนหลับอะ่ะเพราะตื่นขึ้นมาหน้าตาก็เบิก บ, บานบ่งบอกได้เลยว่านี่มเมตตาดีมากแต่ถ้าตื่นขึ้นมาหน้าตายับยู่ยี่บางทีบิดซ้ายบิดขวาอยู่เนี่ยนะ อันนี้บ่งบอกเลยว่าไม่มีเมตตาแล้วก็ถ้ารู้อย่างนี้แสดงว่าอาการเราหนักแล้วนะต้องหันไปเจริญเมตตาแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะต้องไปเจริญเมตตาไม่ฝันลายเมตตาวิหารีบุคคลเมื่อฝันเห็นทวินิมิตเห็นแต่นิมิตที่ดีเช่นฝันว่าไปไหว้พระไปไหว้พระเจดีย์ไปบูชาพระตนะไตยไปฟังเทศเนี่ยฝันเห็นพระเนี่ยเห็นพระพุทธรูปอย่างเนี้ย บุคคลเราอื่นที่ไม่ได้เจริญเมตตาเนี่ยเวลาฝันฝันไปทั่วฝันมั่วหมดเลยฝันเห็นอะไรต่างๆนันะบางทีก็ฝันถูกทํำลายบ้างฝันถูกแทงบ้างฝันถูกฟันบ้างฝันตกลงไปในเหวบ้างอันนี้บ่งบอกเลยว่าไม่มีเมตตาอาการแย่แล้วถ้าอย่างเนี้ยดูไม่ยากเลยว่าจิตขาดเมตตาหรือมีเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เมตตาวิหารีบุคคลเป็นที่รักให้เป็นที่เจริญใจของคนทั้งหลายเขาบอกว่าเพชรนินดินดาที่อยู่ในหน้าอกที่บุคคลสวมใส่เขารักของเขาไ้ยเขาต้องรักแหวนที่เขาสวมใส่ที่ข้อมือที่นิ้วมือนี่นะกำไลที่ใส่ไว้ที่ข้อมือเขามีความรักไข่มุกดาที่เขาสร้อยมุกดาเนี่ยที่เขาสวมคอเนี่ย เขามีความรักที่เจริญใจหรือดอกไม้ที่ปักอยู่บนทิศาเป็นที่เจริญใจแก่คนทั้งหลายลักษณะของคนที่เจริญเมตตาไปที่ไหนเป็นที่รักของมนุษย์หมดเลยใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชื่นชมพเพราะเาเห็นตีหน้าเท่นั้นเขาก็รู้อยท่านบนนี้ไม่เป็นที่เป็นทายแก่ใครเหมือนคนเห็นดอกไม้ไหมดอกไม้เนี่ยทุกคนไปเห็นแล้วก็ชื่นใจไหมเชื่นใจ นี่ถ้าเห็นคนมีเมตตาพราะทำไมจึงเหมือนเห็นดอกไม้เพราะใจของบุคคลเหล่านั้นมีเมตตาภายในทีนี้ถ้าใจมีโทสะเนี่ยคนไปมองเห็นไม่ไหวแล้วเหมือนดอกไม้เหี่ยวใช่ไหมแต่ถ้าใจมีเมตตาเวาลามองพบโอ้มันชื่นใจมากๆนีเป็นอย่างนี้เป็นที่รักของอามนุษย์เป็นที่รักของอามนุษย์อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่อามนุษนย์นะนะที่จริงมันมีเรื่องเล่าด้วยซ้าไป ที่คลุหาวดีอะเป็นกุฎุมพีเนีที่เมืองปัจจีบุตรในชมพูทวีปเมื่อเขาอยู่อยู่มาในเมืองปัจลีบุตรได้ยินข่าวบอกว่าที่ลังกาทวีเป็นประเทศที่ประดับประดาสง่างามไปด้วยพระเจดีย์คือเขาได้ยินข่าวว่าที่ลังกามีพระเจดียด์เยอะเขก็อยากไปไหว้พระธาตุใจก็จะน้อมใยในการที่จะไปไหว้พระธาตุเนี่ยนะแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นล่มภาคาสาวพัฒ ใครๆก็ตามสามารถจะไปนั่งหรือไปนอนได้อย่างสบายปลอดภัยในที่ตนเองประสงค์สัพยะทุกๆอย่างอากาศก็สัายะเสนาสนะก็สัายะบุคคลก็สภายะธรรมะก็สัายะหาได้ง่าย น, นี่ท่านวิสาขานี่ที่เป็นกุดุมพีที่วิสาขา์ก็ได้ตัดสินใจมอบพอคสมบัติของตนให้แก่บุตรเพรียาเมื่อมีทรัพย์ ขอดติดชายผ้าอยู่เพียงกะหาปณะเดียวเท่านั้นเคือเอาเงินติดหนึ่งกะหาปณะติดขอดกระชายผ้าแล้วก็ออกจากบ้านเดินทางไปไปในมหาสมุทรเนี่ยไปเดือนหนึ่งกูดมพีวิสาขาเป็นคนฉลาดในเชิงวัวหารก็ได้ซื้อของณนะที่นั้นไปขายณนะที่นั้นรวบรวมทรัพย์ได้ถึงพันกะหาปณะนในระหว่างเดือนหนึ่งด้วยด้วยการค้าขายแล้วก็ได้ถึงวัด เดลังกาจะวิบเดลำดังแล้วก็ขอบวชอุปชาพาเขาไปยังสีมาทําการบวชเขาก็ทําห่อทรัพย์พันกระหากันนะให้ร่วงหล่นภายในเกี่ยวผ้าอุปชาจึงถามว่าอะไรก็เลยให้เอาบอกให้เอาไปทิ้งท่านก็เลยบอกเออเงินตรงนี้ก็วางไว้ตรงนี้ถ้าใครประสงค์อยากได้ก็ให้เอาไปเที่ยนในลักษณะอย่างนี้ก็วางไว้โปรยทานไว้ในโรงบวชถุดแล้วก็อุปสมบท พอออกบวชได้ประมาณห้าปีท่านก็ท่องมาติกาทั้งสองได้อย่างคลง่องแคล่วทั้งพิคุปาติโมกพระพิกคุนีปาดิโมกีหนึ่งโตเวลาออกพรรษาแล้วก็ข อ, อกรรมาฐานเป็นที่สบายเหมาะกับธยาสายของตนไปไปมาผัดเปลี่ยนอยู่วัดละสี่เดือนทีนี้เที่ยวไปมาอยู่ในตามที่วัดต่างๆวันหนึ่งก็คือไปสถานที่ระหว่างป่าเป็นที่รรมณีย์สถานท่านก็ไปประพฤติปฏิบัติต่อมาเนี่ย ท่านก็จะกะพอครบกําหนดแล้วท่านก็จะกลับท่านไปเจริญเมตตานะทีนี้เทวดาที่สิงสถิตอยู่หน้าที่ตรงนั้นก็ร้องไห้พอคืนที่ท่านจะกลับพอร้องไห้ก็ท่านก็ถามเออเนิ่นใครเนะี่ยนี่ก็บอกอ้าวทาไมบอกโอ้ท่านอยู่ตรงนี้ค่ะกลุ่มเทวดาทั้งหลายเขาสามัคีกันแล้วเกิดแต่เดี๋ยวถ้าท่านไปจากที่ตรงนั้นเดี๋ยวที่ตรงนี้ก็จะแตกแยกกันวงเลยนิมนต์ให้อยู่ท่านก็เลยอยู่ ในสุดจริงๆท่านได้บรรลุท่านได้บรนะบรลุอาศัยอนุข้อเทวดาด้วยท่านจะเจริญเมตตาเป็นกรรมฐานเป็นพื้นฐานในสุดจริงๆก็เอาเมตตานะเป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาในสุดที่ว่าบรรลุได้เป็นพระาจานี่เป็นอย่างนี้นะไม่ว่าเทวดาเป็นไม่ว่าเทวดาเป็นที่รักของเทวดาเป็นต้นเหล่านี้ปยาพิสตราไม่กล้ามกลายด้วยนะแล้วก็สมาธิก็จะ เราให้สังเกต ด, ดูว่ากักผุคคลที่เจริญเมตตาเนี่ยสมาไปยาทิศตราป้องกันนะนั้นถ้าเจริญเมตตาให้ถึงขั้นจริงๆเนี่ยนะถึงสีมาสัมเพสจริงๆเ น, เนี่ยเอาถึงผลจริงๆเนี่ยสามารถป้องกันพยานาครายต่างๆเลยเออมีตัวอย่างเยอะประเภทที่เอาน้าร้อนสาดก็ไม่เป็นอะไรน้าร้อนเดือดๆเนี่ยนะแต่ตอนนี้อย่าพึ่งสาดนึง เอาตอนที่ว่าให้เมตตามันเกิดขึ้นให้แกก็เน้ำร้อนสาดเข้าไปกลายเป็นน้าเยน็นนี่เป็นอย่างนี้ได้ยินมาว่าแม่โคตัวหนึ่งะนะกำลังยืนให้นมลูกอยู่ขณะนั้นในพานคนหนึ่งก็ตกลงใจว่าจะแทงมันได้ตะหวัดมือพุ่งห อ, อกเข้าใส่ทันทีแต่ห อ, อกนั้นพอไปเจรดลำตัวของแม่โคนั้นมันก็พับลงเหมือนกับใบกาน อันเนี้ยไม่ใช่ด้วยกําลังของอุปจารลสมาธิหรือไม่ใช่กําลังของอัปปนานะแต่เพราะความมีใจรักลูกจย่างรุนแรงที่เป็นเมตตาเมตตามีอนุภาพยิ่งใหญ่อย่างนี้คือในขณะนั้ น, น, นใจสังหอละคดด้วยเมตตากําลังรักลูกให้ลูกกินนมอยู่เอาห อ, อกพุ่งไปเติมเทห อ, อกพับลงอย่างระบายตาเลเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์อันนี้ไม่ได้สมาธิอะไรเลยนะ ทังน้ถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเอพอได้เราท่านทั้งหลายจะทําทำไมจะทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมพอรู้อย่างนี้แล้วก็ทำกระแสจิตให้เกิดขึ้นให้มีเมตตาประการต่อมาก็คือจิตเป็นสมาธิได้เร็วเมื่อพิจารณาถึงฐานจิตของเมตตาวิหารีบุคคลจะเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วไม่มีความช่วยชาเลยถ้าคนเจริญเมตตากรรมาฐานอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะ จเจริญอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเป็นอธัธยาศัยนี่นะจิตจะเป็นสมาธิได้ค่อนข้างเร็วแล้วรวดเร็วมากเหมือนเราทั้งหลายที่กําลังฝึกกันอยู่อย่างเนี้ยในขณะที่จิตเราฝึกแล้วก็น้อมกระแสจิตเป็นไปกับเมตตาอยู่เนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาถึางบอกว่าเมตตาเกิดสมาธิก็จะเกิดเลยผิวหน้าก็ผ่องใสใบหน้าของบุคคลที่จเจริญเมตตานั้นจะผ่องใสเหมือนตาลสุกที่หล่นจากขั้วใหม่ ประการที่สิบก็คือว่าไม่หลงทำการเกรียตายด้วยความหลงย่อมไม่มีแก่บุคคลที่เจริญเมตตามั่นใจได้เลยว่าไม่หลงตายอ่ะหลงตายคือเพอ้อตายบ้างใกล้จะตายก็ฟงตานอย่างนี้เป็นต้นคนเจริญเมตตาจะไม่มีอย่าง น, น้คือจะตายเหมือนนอนหลับเวลาจะไปจากภพนี้สู่ภพหน้าก็ไปอย่างคนไม่อะไรวุวนไปอย่างคนที่ ย้ายจากบ้านปูปูพังพังเพื่อจะไปอยู่ปราสาทเจ็ดชั้นทีนี้ถ้าคนไม่เจริญเมตตาก็คือว่าอยู่ในปราสาทแต่จะกลับไปอยู่บ้านปูปูพังพังนี่เราก็ต้องมานั่งคิดใช่ไหมโอ้เราต้องเราต้องเอาจริงอาจาังบ้างแล้วในการที่จะเจริญเมตตาเพราะเราไม่ทําจริงจริงอย่างๆมานานใช่ไหมพอเรารู้พื้นฐานรู้กติการู้กฎเกณฑ์ในการที่จะเจริญเมตตาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องทําเจริญเมตตาให้ต่อ น, นี่ ที่เจริญเมตตาให้ต่อเนื่องก็คือว่ารู้จะต้องทำเมตตานี้ให้เกิดขึ้นให้จริงให้เป็นจริงเป็นจังไม่ไม่ทำเหมือนเก่าก่อนเหมือนเก่าก่อนก็คือว่าลักษณะของการเจริญเมตตาที่ที่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บรรลุผลทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าลักษณะของการเจริญเมตตาเนี่ยสิ่งที่จะพึงได้จะหยิบมาเป็นข้อข้อนี้จะไม่หยิบเอามาทั้งหมด บอกว่าประการแรกก็คือว่าให้เห็นโทษอุบายบรรเทาความโกรธคือถ้าเราจะเจริญเมตตาได้ดีเนี่ยต้องขจัดความโกรธในใจของเราให้ออกผู้ปฏิบัติเพียรพยายามพร่ำสอนตัวเองบอกว่าแต่ความโกรธแค้นความโกรธยังไม่สงบลงแต่นั้นน่ะบุคคลจงใช้วิธีสมมุติว่าถ้าเราเนี่ย ห, หงุดหงิดเนี่ย แม้ในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดความญหงุดหงิดท่านมีอุบายบางข้อบอกว่าให้เรียกตนเองบ่ามีแน่พ่อมหาจมื่ิหนี่ถ้าเป็นยศผู้หญิงก็แม่มหาจํมริญ น, นี่หนึอันนี้คือเรียกตัวเองเนะเจ้าโกรธคนอื่นเขาแล้วจับได้ประโยชน์อะไรเริ่มถามตัวเองเนีะบอกเออเราโกรธคนอื่นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรเราจะได้ประโยชน์ในภพนี้ไหมได้ประโยชน์ในภพหน้าไหม ได้ประโยชน์ในพบอย่างยิ่งไหมอ่าพอพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าไม่ได้ประโยชน์ทั้งสามอย่างเลยกรรมมันมีความโกรธเป็นเหตุของเจ้านี้มันจัดบรรดาลให้เป็นไปเพื่อความทุกข์หายแก่เจ้าเองไม่ใช่ออ่าถ้าเราโกรธเนี่ยอากุศลกรรมเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมบาปเกิดขึ้นกับเราเนี่ยความโกรธความพยาบาทเกิดขึ้นกับเราเอาเมื่อความโกรธความพยาบามเกิดขึ้นกับเราเนี่ย บาปอันนั้นมันจะให้ผลกับคนอื่นหรือให้ผลแก่เราเอา้ามันก็ให้ผลแก่เราให้ความทิพยหายแก่เราเองไม่ได้หรือได้ว่าเจ้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกัมเนิดมีกรรมเป็นเป่าพันุ์นะมีกรรมเป็นดีพึ่งอาศัยเจ้าทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเจ้าก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอา้าเรามานั่งทํากรรมชั่วโกรธเขาทําไมพอคิดได้อย่างเนี้ยเมตจา ก, ก็เกิดแล้ว พรอเมตตาเกิดขึ้นเราก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราก็จะป้องเว้ไรับผลของกรรมนี้เออเรามีกําลังทำกรรมดีอยู่ทําเมตตากรรมอยู่ไอ้กรรมดีนี้ก็ต้องตามสนองผลเรากรรมของเจ้านี้มันไม่สามารถที่จะบันดาลให้สําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณปัจเจกปริญาและสาวกสมมุติถ้าเราเกิด ไ่ความโกรธของเราเนี่จะบรรดาให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้บรรดาให้เป็นพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าได้ไหยก็ไม่ได้บรรดาลให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่ได้แล้วไม่สามารถบรรดาลให้ได้สมบัติความเป็นพระพรหมเป็นพระอินเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นประเทศราชได้เลยตรงกันข้ามกรรมกล่าวคือโทสะจะขับไล่สาส่งเจ้าให้ออกไปจากพระศาสนา บันดาลให้ประสบผลอันประหลาดต่างๆเช่นทําให้บังเกิดเป็นขอทานเปออมันนา่าน่ากลัวนะเช่นถ้าเราโกรธล้วเป็นขอทานนะถ้าเราเมตตาตายไปแล้ว เ, เราจะไปเป็นคมนนะจะเป็นเศรษฐีนะี้มันไปคนละทางเลยเนะี่ยเรามองอย่างนี้มันน่าหินโทษอย่างรุนแรงเลยนะว่าโอ้โหโทสะนี้ไม่เอาแล้วต่อไปเอาเมตตาดีกว่าหรือเป็นคนกินเบนคนอื่น ประสบความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวงเช่นทำให้บังเกิดในนรกเป็นต้นอย่างแน่นอนอันตัวเจ้านี้เมื่อขืนทํำกรรมอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าเผาตัวเองทั้งเป็นทําตัวเองให้มีชื่อเสียงเน่าเหม็นเป็นคนแรกนั่นเทียถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่าสภาพของโทสะนี้เป็นสภาพที่ไม่ดีเลยแต่สภาพของโทสะที่ไม่ดีนี่เนี่ยหลายหลายคนก็ไม่ ไม่พยายามที่จะออกจากความโกรธถามบอกว่าแม้เขาผู้นั้นโกรธเจ้าแล้วเขาจากได้ประโยชน์อะไรกรรมอันมีความโกรธเป็นเหตุของเขานั้นก็จะบรรดานในเขาเป็นไปเพื่อความทิ่ผายแก่เขาไม่ใช่เลยเพราะว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ทํามีกรรมเป็นตาญาติมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นได้ถ้ามีคนบางคนมาโกรธเราเลยเนะี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปโกรธต่ออีกต่อไปแล้วถ้าเขาโกรธเราเขาไม่พอใจเราเนี่ย เขาเาทํากรรมไม่ดีความวิบัติก็เกิดขึ้นกับเขาเพราะเขามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเขาก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมของเขานั้นก็ไม่สามารถบรรดาให้เขาให้ให้ถ้าเขาโท่สาเขาโกรธล้วเนี่ยความโกรธของเขาก็ไม่สามารถจะเป็นปัจจัยให้เขาสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็น สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาเป็นต้นไม่ได้เลยแต่กลับจะทาให้เขาตกไปจากศาสนาเสื่อมเสียวิบัติเพราะโทสะโดยแท้ฉะนั้นเมื่อพิจารณาลักษณะแบบนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่าสภาพของโทสะไม่ว่าเกิดขึ้นกับเราและเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็เป็นสภาพที่น่ากลัวใช่ไหมคะ พอเรามองเห็นโทษของโทสะในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เราก็จะเริ่มตรึกพิจารณาแล้วบอกว่าสภาพของโทสะเนี่ยไม่ดีเลยเขาผู้นั้นเมื่อคืนทํากรรมอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าโปรยทุลีคือความโกรธใส่ตนเองเหมือนบุรุษผู้จะโปรยทุลีใส่คนอื่นแต่ไปยืนอยู่ใต้ลมใช่ไหมเช่นถ้าหาว่าท่านผู้ น, นั้นจะโกรธ ใช่ไหมก็เหมือนเขาเอาฝุ่นเนี่ยขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วก็โปรยไปเหนือลมเดี๋ยวลมก็ซัดเข้าไปใส่ถูกหน้าเขาเองถ้าเราโกรธก็เหมือนเราเอาฝุ่นเข้าไปโปรย